ความไม่เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจความไม่ประกอบเนืองๆในการบาเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าความประมาทงนั้นความประมาทความมัวเมากิริยาที่มัวเมาความเป็นผู้มัวเมาเห็นตานี้เรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นโลกที่ว่าไม่ปรากฏเพราะความตรนีเพราะความประมาทก็เพราะว่าโลกไม่ไยโรธไม่สว่างไม่รุ่งเรืองไม่ไยโรธไม่เจมกระจ่าง เพราะความตรนีนี้เพราะความประมาทนี้เพราะฉะนั้นที่ว่าโลกเนี่ยไม่ปรากฏเพราะความตรนีเพราะความประมาท ต, ต่อไปว่าคําถามที่ว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคตอบว่าเรากล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกนะฉับตาเนี่ยมันฉาบทาไว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 เรา ล, ล่มลงอ่ะนะล่มลงเรื่องหน้าตัณหานะความติดใจความอยากความผัวพันความคล่องความจมความหวั่นไหวความลวงธรรมชาติอันให้สัตว์เกิดเนี่ยตัวนี้แหละทำให้เกิดธรรมชาติอันให้สัตว์เนี่ยเกิดกับทุกธรรมชาติอันเย็บไว้ธรรมชาติเป็นดังคายธรรมชาติที่ไหลไปตามทวารต่างๆธรรมชาติที่ร้างไปในอารมณ์ต่า ง, า ง, างความเป็นผู้หลับ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 เนี่ยมันรัดคืนอ่ะก็ลองอันเนี้ยเส้นกระตุกคืนเนะี่ยบอกที่บ้านเขาโทรมาดูสินี่นนะกระตุกกลับทันทีเลยนะแต่ว่าขามาอาจจะมาเย็นเย็นอ่ะนะขากลับกลับรีบร้อนก็ได้มันกระตุกคืนอ่ะเนี่ยมันเป็นยังไงี้ยมันยื้อใหญ่มันยางเหนียวอ่ะความเพ่งความพัวพันความหวังกิริยาที่หวั ง, ค ว, วงความเป็นผู้หวังก็ห ว, วังไปเนี่ยนะ ความหวังในรูปหวังในเสียงหวังในกลิ่นหวังในรสหวังในโพธาภะก็หวังไปเรื่อยนั่นแหละความหวังในลาบความหวังในทรัพย์ความหวังในบุตรความหวังในชีวิตนี่แหะความกระสิบความกระสิบทั่วความกระสิบยิ่งกิริยาที่กระซิบความเป็นผู้กระสิบก็แล้วแต่มันจะกระซิบให้มันไปทําอะไรนะหรือความกระสิบอื่นเว้นไว้เว้นไว้กระสิบเพื่อจะเจริญกุศลเนี่ยถ้าโดยทั่วๆไปแล้วมันกระสิบเนี่ยกระสิบด้วยอานาจอกุศลทั้นั้นด้วยโลภงพเนี่ย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 รูปปัตนหาสาัตตันหาคันธาตันหารัตสตันหาโพธะภะตันหาธรมมตันหาคำนวนว่ามีอะไรมัางมันไม่ชอบม่นนะโอค่โยค่คันธาอุปาทานโอค่าก็ทําให้สัตว์นี่จมอยู่ในวัตโยค่าประกอบเอาไว้ยคันธาก็ร้อยรัตอุปาทานก็ยึดถือแล้วก็กางกั้นห้ามไม่ให้เป็นกุศลน่ะเรียกว่านิวรณ์ธรรมชาติเป็นเครื่องบังธรรมชาติเป็นเครื่องปิดธรรมชาติเป็นเครื่องพูกอุปกิเลด เนี่ยนะตัวที่ทําให้เศร้าหมองเนี่ยนะเป็นอนุสัยคือมีกิจกำลังรุนแรงแล้วก็เป็นปริยุท ธ, ธานคือกลุ่มรุมตรงนี้ก็ตันหา อ, อนุสัยกับปริยุทธา น, นี่แสดงควบคู่กันก็แสดงว่าไม่ได้ต่างกันเลธรรมชาติเป็นเหมือนดังท่าว่าเถาวันความตัหนีห่วงแหนเนี่ยนะความเป็นมูลแห่งทุกขแดนเกิดแห่งทุกบ่วงมานเบ็ดมานวิสัยมานโคจรมานเครื่องผูกของมานตันหาเพียงดังว่าแม่นม้ํา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 เคยคิดไหมอม่มันหวังต่อผูกพันต่อไปอย่างงั้นแหละมันเหมือนเหมือนทะเลจริงๆริงเหนไนะอภิชาความเพ่งแรงเนี่ยนะโลพะอากุศลมูลเรียกว่าชับตาคือตันหาตันหาที่กล่าวไปนี่แหละเป็นเครื่องชาบทาเป็นเครื่องพ้องเป็นเครื่องผูกเป็นอุปกิเลสของโลกเห็นไหมใครมั่งไม่ถูกตันหาฉาบเอาไว้นะฉับแปะไว้ทวานต่างๆอะ่ะ ตันหาเราียกว่าโลกคือเราท่านทั้งหลายนี่แหละลอันตันหาเนี่ยไลทาฉาบทาให้หมองให้เศร้ามองให้เปื้อนละคนเอาไว้คล้องไว้คล้องเอาไว้พัวพันเอาไว้ร เ, ไวเราย่อมกล่าวบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตือนประกาศเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกนี่นะท่นนี้ก็ลักษณะว่าสัตว์ที่ไม่ยอมหลุดจากวัตต อยู่ในวะะัฏจักรอยู่ในวะัตจะัอยู่ในห่วงแห่งทุกข์อย่างนี้ก็เพราะตัญหาในนหละมันฉาบทาเอาไว้แต่ว่าถามว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกล่ะก็บอกว่าทุกข์นั่นแหละเป็นภัยใหญ่ของโลกปัญหาฉาบทาเอาไว้เมื่อตัญหาฉาบทาาไว้ก็ที่เหลือก็ทุกข์อย่างเดียวนี่ยนะก็ขอสำน ว, นวนว่าขอให้ให้เหมือนกับว่าเป็นอะไรเป็นสถานที่ที่มันอันตรายเนี่ยนะ สร้างจินตนาการให้คนฝักไฟไฟฝันที่จะไปอยู่ณดินแดนแห่งนั้นดินแดนที่มันทุกเนี่ยนะสรารพัดทุกเนี่ยบอกว่าถ้าจมลงไปในนั้นอ่ะหลุดเข้าไปในนั้นอ่ะเอาละคันนี้ก็เหมือนเนี่ยตัณหามันชาบทา พ, พาให้มาเกิดเนี่ยนะตัณหาเนี่ยพาเกิดใช่ไหมพอเกิดมาแล้วก็ทุกประดังเข้ามาแล้วคันนี้ประดังเข้ามาเถอะความทุกคำว่าทุกทุกคืออะไรก็คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นั่นะพราะถ้าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะที่ตั้งของต่อไปก็โสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเั้นทุกเหล่านี้ไม่ค่อยกันดานเลย น, นะทุกรูปทุกน้นําเลยและทุกคนนั่นแหละ เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวก็เศร้าโศกเสียใจพี่ไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจอยู่นั่นแหละไอขับแค้นใจเนี่ยนะเราว่ามันทุกพูดไม่ออกอ่ะเราว่ามันอับอั้นบันใจนะปัญหาที่เรียกว่าพูดไม่ได้พูดไม่ออ ก, ออกบอกไม่ถูกแต่รู้ว่ามันทุกข์อ่ะรู้แต่ว่ามันไม่สนุกอ่ะนะนั่นแหะเรียกว่าปายาบ ทีนี้ถ้าไล่ตามพบล่ะก็ทุกในนรกก็ทุกล่ะทุกในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกในเปรติวิสัยเนี่ยนะอบายทั้งหลายเนี่ยก็ทุกทั้ง น, นั้นนะะเอาไหมล่ะอ๊ยชอบดูนกเอาเป็นนกเองเอาไห ม, ไมน่าสนใจว่ชอบดูปลาเอาไหมล่ะเป็นปลาเองอยู่ในอ่างนั่นแหละนะไม่เอาเองนั่นแหละเพราะนั้นก็ทุกขนาดไหนแสดงว่าเราก็คนทั้งหลายก็ซาดิดโขคมกันนะชอบดูเขาทุกข์กัน ชอบดูเขาตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะมันดูมวยแหมอยากให้หมัดเดียวล้มหงายพรานะถามว่าเอาไหมล่ะที่จะเป็นเองอันนั้นน่ะหมัดเดียวสอยร่วงเลยอย่างนั้นก็แต่ในความทุกเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งหรือแม้กระทั่งทุกในหมู่มนุษย์หรือทุกมีการก้าวลงสู่คันเป็นมูลเนี่ยนะทุกเพราะอยู่ในคันน่ะดูเนี่ยทุกเพราะตั้งอยู่ในคันทุกเพราะ ถ้าบริหารคันอะ่ะถ้าแม่บริหารคันทุกถ้าคันวิบัติอะ่ะอย่างสมัยนี้เนี่ยเขามีการตรวจ ด, ดูคันในตรวจ ด, ดูเด็กในคันได้มากละเมื่อมากมันก็มีโรคไร้ล้ า, ลาตัวที่เรียกว่ายังอยู่ในคันนั่นแหละผ่าท้องออกมาผ่าตัดเด็กผ่าตัดแล้วก็ยัดเข้าไปในคันใหม่แล้วก็พอวันคลอดก็ผ่าออกอีกครั้งหนึ่ง นกัก็โอ้ยคนที่เป็นแม่ก็ถูกผ่าไม่รู้กี่รอบต่อ ก, กี่รอบลูกนี่เกิดถูกผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะเรียกว่าทุกข์เพราะการบริหารคันหรือทุกข์เพราะครันวิบัติเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยคันมันวิบัติไม่มีการผ่าแบบสมัยนี้ใช่ไหมมันก็พอทีจะคลอดมันก็ขวางเอาไว้อะนะเรียกว่าไม่ไหลไปตามคลองอนะมันก็ขวางอ่ะก็ขวางอะไรจะเกิดอนะทีก็ร้อนรอ น, รนกรวนกว歪จะตายเอาทั้งแม่ทั้งลูกอนะไรก็ทุกข์การออกจากคัน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 หรือสังขารทุกทุกเพราะไม่เที่ยงกับทุกเพราะแปรปรวนทีนี้ทุกทั้งหลายถ้ามองเห็นเห็นก็เนี่ยโรคภัยทั้งหลายที่มันเกิดเนี่ยโรคตาหูจมูกลิ้นกายมีหัวก็ปวดหัวมีหัวก็โรคหูมีปากปาก็โรคปากมีฟันก็โรคฟันมันชูเคยไปถอนไหมนนะเคยปวดฟันก็อ๋อนั่นนะโรคฟันนะเน่ แปรงเนี่ยโรคฟันก็คิดดูอ่ะมันโรคขนาดไหนก็ล้างเช้าล้างเย็นล้างมันไม่รู้กี่รอบสักกี่รอบเดี๋ยวก็อุดเดี๋ยวก็สารพัดอ่ะ น, นะเดี๋ยวก็จิ้มฟันมั่งเดี๋ยวก็ถูฟันมั่งเด<ช>ี๋ยวก็แปลงฟันมั่งเดียก็บ้วนอ่ะนะโรคจริงๆอ่ะนะดูแลไม่มีจบมีสิ้นเนะเดี๋ยวก็มีคอก็โรคไอคมีเกี่ยวกับเรื่องเพศก็โรคเกี่ยวกับเรื่องเพศเข้ามาล่ะโรคมองค่อมีจมูกกะระฤสีดวงจมูกมีกายก็ร้อนในใช่ไหมร้อนหรือเปล่า คลาแล้วนะตอนนี้อากลางเยน็นเนะเกิดมาก็แก่เอกไงนะมีกายก็โรคแก่มีท้องก็โรคท้องแลยวก็โรคสลบโรคลงแดงมีจุกเสียดโรคลงท้องเนะโรคเรือนโรคฝีเป็นกรากมีจมูกทางเดินลมหายใจก็หอบหืดลมบ้าหมูเนี่ยนะนะหิดด้านหิดเปื่อยคุทธราชลำละลาดคุธราชใหญ่อาเจียนมาเป็นเลือกโรคมีดีก็โรคดีนะ โรคเบาหวานฤทธิ์สีดวงทวารโรคต่อมโรคบานโรคหรืออาภาษที่เกิดจากดีเกิดจากเสมหะเกิดจากลมหรือว่าเกิดเพราะดีเสมหะลมประชุมกันหรือเพราะอุตุแปรพลวนเนี่ยนะจากหนาวไปร้อนจากร้อนไปหนาวเนี่ยก็ทําให้ป่วยให้ไข้ได้หรืออิรียบริหารอิรียบทไม่สม่ําเสมออาภาษที่เกิดจากความเพี้ยนหรือโรคที่เกิดจากกรรม ที่ก็ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความปวดอุจาระปวดปัสสาวะทุกที่เกิดจากเลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายนะครับว่าโรคภายในนี้ก็หนักนาสาหัสตเต็มทีเลยนะที่นี้คนไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมเกี่ยวมีพ่อมีแม่ถ้าพ่อแม่ตายไปยนไงมันจะอยู่กับพ่อพ่อตายก็ยกเป็นทุกอยู่กับแม่แม่ตายก็เป็นทุกมีพี่น้องชายพี่น้องชายตายก็เป็นทุกมีพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงตายก็เป็นทุก มีลูกลูกตายก็ทุกมีลูกชายตายก็ทุกลูกสาวตายก็ทุกเนี่ยนะมีญาติเสียญาติก็ทุกเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะสำนวนว่าถ้าญาติชิบหายญาติก็คือเช่นนะ่ะญาติตายหมดหรือตัวเองต้องพลัดพรากจากญาติเนี่ยนะหรือมีโภกสมบัติเสียหายก็ทุกเนี่ยนะมีรถเนี่ยนะลงไปแล้วรถไม่อยู่กับที่แล้วจะยังไ ง, ไงนะทุกหรือจะสศกเล่านะยิ้มไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหม หรือว่าชิบหายเพราะโรคอะนะบอกว่าไปตรวจเข้าเนี่ยคุณโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคอะนะบางคนไม่ยอมไปตรวจกลัวจะรู้ว่าตัวเองมีโรคนั่ น, นะเพอบอกว่าได้ข่าวว่าโรคอะนะถ้ามะเร็งมันอยู่เฉยเไม่ได้ตรวจพบน่าอาจจะอายุยืนอีกหน่อยใช่ไหมตรวจพบแล้วไหมน่ะทาใจไม่ได้เลยตายเราเลยไงหรือบางคนก็เสียศีลก็ทุกเพราะเสียศีนศีนขาดเนี่ยเนีเสียทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทุกเพราะไอ้มิจฉาทิฐินั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับอะไราไม่เป็นทุกมีไหมล่ะ เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรยิ้มแย้มแจ่มใส่เนี่ยเกี่ยวข้องกับยุงยังกัดเอาเลยเอ่ะมีเท้าก็ทุกข์เพราะเท้ามีมีทั้งหลายอย่ะทุกข์อะนะเพรานทุกข์เนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ของโลก